ต่อสุดสุขสุดสูงไปตอนที่สองการอบรม 14 กุมภาพันธ์ 2549 เนื่อในงานพุทธาพิเศกสุดยอดปฏิหารของพุทธ ครั้ง 30ณพุทธสถานสาลิยสูตรขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้อวิชชานี่ก็ เป็นผู้ไม่รู้ในทุกข์เป็นผู้ไม่รู้ในสมุทัยผู้ไม่รู้ในทุกขิโรธแล้ว อภิชฌาในข้อที่น่าจะพูดกันก่อน 7 ทําไมจะต้องเป็นก็ ก็ความเป็นอดีตเนี่ยมัน 7 ว่าความ 7 ข้อ 5 ข้อ 6 ก็ความอ่าข้อที่ 5 ก็ความเป็นอดีตข้อที่ 6 ก็ความเป็นอนาคตแล้วข้อที่ 7 ยัง นี่เป็นประเด็นที่อยากจะไขนะอยากจะปฏิบัติเป็นสัมมามรรคได้อ่าได้ดีๆพ้น ผู้สมาธิธิได้ปฏิบัตินี่ก็จะต้องเรียน 4 นี้ไปเรื่อยๆจริงๆก็จะพ้นทุกข์ อวิชชาไม่มีก็คือจะเกิดวิชชาขึ้นทดแทนนี่ไม่ใช่เล่นภาษาแต่ว่า 8 ประการนะวิชชาจรณะสัมปันโน มีความฉลาดไม่อวิชชามีวิชชาและวิชชานั้น 8 อ่าวิชา 8 ประการมี 2 นะอิทธิวิธีข้อ อุปนิพพานสานุสติญาณข้อ 6 จตุตูปปาตญาณข้อ 7 อาสวกขยญาณ 18 นะ 8 ประการวิชชา 8 ประการนี้ผู้ มันเป็นความรู้ค่อยๆรู้เพิ่มขึ้นค่อยมีวิชาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเริ่มตั้ง 6 000, ติวิตปัศนายาเนี่ยมันไม่ใช่รู้ความคิดเช่นปฏิจจสมุปบาท อวิชชาเป็นเหตุอ่าเป็นเพราะมีอวิชชาจึง เพราะสังขารจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณจึงมีนามเพราะนามรูปเพราะสฬายตนะเพราะผัสสะจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเพราะตัณหาเพราะอุปทานเพราะภพจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยที่จริงน่ะจะ <recreation S 2> <en> สังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูป พอมันปฏิบัติธรรมขึ้นมาเรื่อยๆก็จะเกิดวิปัสสนาญาณหรือญาณพิเศษที่ไม่ใช่ความนึก สังขารคือการปรุงแต่งของอะไรขึ้นมาแล้วก็เกิดผลนะเราๆชัดๆนะ ปะตัวเอา H กับ O มารวมกันเข้ามารวมกันเข้าไฮโดรเจนกับออกซิเจนมารวมกันเข้าทําปฏิกิริยาให้มันเข้ารวมกันเกาะกันสนิทแล้วไอ้แก๊ส 2 แก๊สเป็น H2O ไอ้ O มันจับ S 2 ขาจับไอ้ S มันมีขาเดียวมันจับกันอย่างแน่นชนิดแก๊ส 2, 2 ชนิดกับออกซิเจน น้ำนั่นคือสังขารคือสังขารนะนี่เป็น เอ่อใส่ตมโหซวยจะหนักจะหน่าจะใหญ่จะขวางยังชังอาตมาเห็นแล้วบางคนนี่ว่าโอ๋เฉยมันก็โค้งขนาดเนี้ยใส่เข้าไปเป็นห่มๆ <c oughs> สวยไปมีอุปทานคือยึดยึดถือจริงๆเลยได้ใส่แล้วใส่แล้วโอ้โหสวยภาคภูมิใจเป็นสุขอารมณ์อย่าง อันนั้นน่ะอาการสุขน่ะเกิดจริงเป็นอารมณ์เป็นเวทนาเป็นความรู้สึกเวทนาหรือความรู้สึกเนี่ยเค้ารู้สึกจริงๆมันเป็นความรู้สึกๆพวกคุณก็เคยสุขคุณจะ เออคนติดเหล้าได้กินเหล้าสุขไอ้อารมณ์สุขหรือไอ้เวทนาสุขสุขเวทนาอันนั้นของเค้าๆเค้าๆทีนี้วิปัสสนาญาณ ญาติปริญญาติรณปริญญาปหานะปริญญาส่ําหรับคนที่เนี่ยปริญญานี้เกิดจริงพวกตรงปฏิบัติถูกวิจัย จิตในจิตวิจัยเวทนาในเวทนาเราออกสุขเวทนานี้มันก็มีตัณหาเป็นตัวเหตุสมใจในตัณหา ไอ้ตัวอุปทานเป็นพ่อเป็นแม่ในปฏิจจสมุปบาทพอผัสสะจึงมีเวทนา อาการที่อยากอุปทานมันจะเป็นตัวที่ดีเป็นอนุสัยหรือว่าเป็นกิเลสเป็นพลังงาน <ม. S 1> จะได้ไปสวยจะได้สวยไม่ได้ใส่ตุ้มหูไม่ได้สวยอ่า สู้กับความอยากสู้กับตัณหาแล้วก็เป็นสุขปรุง มันไม่ได้แยกหัวหางอะไรอยู่ในอักในจับ ตัวเหตุตัวนี้ได้มีวิปัสสนาญาณหรือมีวิชชาข้อชิ้นหนึ่งมีตีรณะปริญญาแยกอันนี้ได้แล้วคุณก็ได้เรียนมาว่านั่น มันไม่ใช่สิ่งที่จะทั้งไอ้ที่อารมณ์สุขมันก็ไม่จริงทั้งตัณหามันก็ไม่ หรือตัณหามันอยากได้อย่างนี้เมื่อมาได้สมอยากมัน เอ็งต้องหายไปเอ็งต้องดับแล้วแต่จะนั่งสมาธิสะกดจิตกดตามหรือคุณจะใช้พลังแรงยัง มันไม่มีตัวตัวมันอนัตตาแต่เราสามารถสัมผัสรูปมันได้ธรรมในธรรมธัมมารมณ์เราสามารถสัมผัสอาการมันเป็นนิมิตมีเครื่องด้วยอาการลิงคนิมิตอุเทศอุเทศคือ เอาหัวข้อธรรมมันยกขึ้นมาทําอธิบายให้คุณเข้าใจเป็นอุทเทศคุณเข้าใจแล้วคุณก็ แต่มันก็อยู่ที่จิตเรานี่แหละขณะที่มันสมใจในตัณหามันก็สุขเป็นเวทนาไหนมันอยู่ด้วยกันว่าอุปทานเกิดมาเป็นตัณหาสมใจใน ตัณหาตัณหาเป็นเหตุเวทนาเป็นตัวอารมณ์สุขเป็นสังขารสังขารเป็นสิ่งตกแต่งตัณหาเป็น อารมณ์สุขเวทนานั้นมันอย่างหนึ่งตัณหานี่มันก็เป็นอีก ไม่ได้อย่างเคยได้ได้อย่างเคยได้อารมณ์เนี่ยมันรสชาติพริกแกงหม้อนี้เนี่ยมันไม่ไม่ได้ เราด้วยยานค่อยๆรู้ความจริงพวกนี้ลดให้ ยึดมั่นรถไม่เต็มที่มั่นน้อยลงปรุงแต่งเอาหน้ารสไม่เต็มที่หรือรสๆ เวทนาลดลงสุดท้ายเวทนาที่เป็นสุขเวทนานี่สุขเวทนาสุดท้าย เราก็จะเข้าใจปฏิจจสมุปบาทวิชชาสัญญาสังขารวิญญาณ 4 นามธรรมรูปเวทนาสัญญาสังขารใครอ่านคนรายละเอียดได้ เขียนเรื่องนี้เป็นคัมภีร์แรกถือว่าคัมภีร์เล่มแรกของอาตมาเอาเอาพวกเนี้ยมาตีแผ่คน อาตมากระจับมาฉีกแย๊กๆอยู่ในคนคืออะไรไปอ่านดูดีๆเถอะต้องพออ่านปั๊บเที่ยวแรกรู้เรื่องดีเลยบรรลุธรรมมาๆแต่สามัญ 5 เที่ยวจะค่อยจะรู้เรื่องขึ้นเพราะมันเป็นปรมัตถ์สังขารคืออะไรวิญญาณคืออะไรวิญญาณ มันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ได้เป็นสิ่งที่ถูกยิ่งนามที่เป็นปัญญาได้ทั้งๆที่มันเป็นนามธรรมไปรู้สิ่งที่ถูกรู้ เป็นอย่างงี้นามรูปเป็นอย่างงี้แล้วนามมรูปเนี่ยมันก็จะต่อออกมาจากสุขปรุงสุขเสมือนก็เป็น วิญญาณที่ถูกสุขความจริงสุขไม่มีว่าสุขเป็นวิญญาณอวิชชาวิญญาณที่มีอวิชชาเป็นเจ้าเรือนสุข เพราะหาให้คนหมดสุขไม่มีพระอรหันต์ขึ้นชื่อว่าพระอรหันต์นี่วิชชา 9 อาตมาขอเรียกว่าวิชชา 9 เพราะไปเอาความรู้ ความรู้อันนี้อยู่ในคําว่าฌานด้วยฌานนั้นท่านจัดอยู่ในจรณะจรณะมี 15 คนมาใหม่ไม่มีพื้นฐานก็จะต้อง จารณา 15 11 ข้อแรกจีนตัมปทาสรุปเป็น 4 6 อ่าโภชเนมตัญญุตตาชาคลิยาตัวปฏิบัติ 4 ตัวนะ เกิดปหุสัจจะหรือปหุสูตปหุสูตหรือปหุสัจจะแล้วก็เกิดวิริยะสติปัญญาอีก 7 ตัวรวม 11 4 ตัว 4 ตัว 7 7 กับ 4 บวก 11 หรือ 10 1 ตาม 11, 11. แล้ว 4 เป็น 15 ฌาน 1 ฌาน 2 ฌาน 3 ฌาน 4 นี่คือจรณะ อาตมาจึงขอเรียกวิชานี้เป็น 9 ทั้งๆที่ก็รู้อยู่ว่าอันนี้เป็นจรณะเป็นผลของการปฏิบัติบรรลุถึงการสังเคราะห์ทางจิตฌานนี่คือการสังเคราะห์ทางจิตสังเคราะห์ ฌานข้อฐานที่ 4 จนถึงอทุกขมสุขหรืออุเบกขานั่น 4 นี้จะมีคุณลักษณะปลายสูงสุด หมดทุกข์หมดสุขแลบไม่ใช่ไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นอารมณ์เฉยๆแล้วเป็นกลางละไอ้ สลายหมดเลยไม่เกิดติฐิหมดติฐิมันจะมายั่วมายุมาทําให้เกิดกิเลสอย่างโน่นอย่างนี้ปริสุทธาปริโยทธาตามุฑฑุกัมมันยาปพัสสราอยู่ตามัน จะเข้ามายังไงก็ไม่เลอะไม่ดูดไม่ซับไม่ทําปฏิกิริยาด้วยแข็งเฉยๆปรโยทตาตา อะไรก็มาทําให้มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ อะไรเข้ามาไม่ทําอะไรให้มันเปลี่ยนแปลง ไม่ดูดไม่ซับไม่ทําปฏิกิริยาด้วยแข็งแรงมากปรโยทธาตามันจะพองไส้พุฒพองเค้าพองมันจะว่างน่ะอันอื่นจะมาทําให้ อะไรก็มาทําให้มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เหมือนน้ํากับใบแต่แปลว่าผุดผ่องแต่อาตมา อะไรเข้ามาเมื่อทําอะไรให้มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันก็มุทุแล้วมัน ตัวได้ดีทําปฏิกิริยาเป็นจิตที่ยื้อจุนแววไวทั้งทางเจโตทั้งทางปัญญาปัญญาก็แววไว ดัดก็ได้ง่ายจะดัดให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่แน่นอนท่านได้ทางต่ํา การกระทําด้วยอัญญาอัญญาเป็นแบบยอดปัญญาเป็นปัญญาตรัสรู้อัญญาสิวัตตะโภโกณฑัญญะวัตตะแปลว่าหนอโภแปลว่าเจริญอัญญารู้ คืออัญญารู้ไม่ใช่รู้โอ้ดูแล้วว่าตําน้ําพริก อัญญาตัวนี้เป็นความรู้พิเศษอัญญาสิกรรมัญญากัมมะสนธิ ถ้าสนทิก็เปลี่ยนรูปสนธิก็เปลี่ยนรูปถ้าสมาร์ทก็ไม่ไม่เปลี่ยนรูปมาชนกันเฉยๆอืออ่าเอาคําว่าอะไรมาสนธิก็อะไรแต่ ถ้าเอามารวมกันแล้วมันมีการเปลี่ยนรูปกรรมะบวกอัญยะเป็นกรรมัญยาเอ้ยจิตจิตที่ประเสริฐจิตนี้เนี่ยแต่ นะดําริมุทุมีการจิตจะให้อนุโลมปฏิโลมโลกเอ่ออุเวขานี่ โชติช่วงชัจจวาลผ่องไสวรุ่งเรืองวาววามอะไรอยู่ก็แล้วแต่คือเป็นจิตที่ดีอ่ะสรุปแล้วประภัสราเนี่ยจะเป็นจิตใสผ่องถ้าจะใสๆนี่ต้องไป เขาจะอุปทานสร้างคําว่าไสในคนสร้างรูปสร้างอรูปคําว่าไสยิ่งยิ่งขึ้นไปซึ่งมันๆ เขาเรียนรู้กันและก็สร้างอุปทานเขาก็สําเร็จสําเร็จวิชานั้นเอ่อซึ่งอาตมาก็เอามาเปิดเผยให้ฟังไม่ใช่ไปลบหลู่เค้าหรอก เขาจะสร้างอันนั้นและเป็นจริงมันเป็นได้จริงเชื่อว่าอันนี้มันดี แต่ไม่มีทางเป็นไปได้นะก็เห็นแต่เห็นใจก็สงสารเค้าว่าเออเค้าไม่รู้จะทําไงแล้วเค้าก็อธิบายอะไรก็สุดท้ายก็ จะทําบุญไปถึงพระพุทธเจ้าถวายข้าวอมหามนีถนจะเป็นคนเอา ก็ไม่ได้ไปลบลู่อ่าฮะอ่าไปอ่าโปรเทสเตชั่นอยู่อ่าไปโปรเทสเตชั่นอยู่ อ้าวอาตมาขยายความพวก 8 ของอวิชชาเพราะฉะนั้นเมื่อเราสามารถปฏิบัติไปเกิดวิชากับวิชาก็จะเข้าใจเรื่องสังขารเข้าใจเรื่องวิญญาณเข้าใจเรื่องนามรูป รูปนี้ทําให้เป็นสุขกลิ่นนี้ทําให้เป็นสุขรสทางลิ้นสัมผัสทางลิ้นอันนี้ทําให้เป็นสุขสัมผัสทางกายทําให้ สังขารเป็นเวทนาเป็นอารมณ์ที่ปรุงแต่งเสร็จแต่งแล้วเสร็จเป็นอารมณ์เป็นสัญญาไปเคยเชื่อไปคือสุขเวทนา นะซึ่ง 108 อาตมาทวนนะเวทนา 2 กายิกเวทนากับเจตสิก 2 เวทนา 3 สุขทุกข์อุเบกขา 5 ทุกขิณสีสุขขิณสีโทมนัสศีสมณัสศีอุเบกขิณสีคือเป็นน้ำหนักอารมณ์สุขมากสุขน้อยทุกข์มากทุกข์น้อยหรือภายในโทมนัสมากโทมนัสน้อยสมณัสมากสมณัสน้อยภายในทุกข์สุขนี่ถือว่าสัมพันธ์สัมผัสกับ คือจะพบภายในทุกข์สุขอยู่ภายในปรุงเองแต่งเองมีเอง เวทนา 6 เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายจมูกมาจากลิ้นมาจากกัดก็เวเกเกเว 6 เวทนา 18 ก็เว 3 กับ 6 ตามันพา ตามันพาสุขก็ได้ตามันพาเฉยๆก็ได้ผู้เบิกขาเฉยๆเฉยๆแบบโลกีย์ก็มีนะมันเฉยๆเฉยๆตอนนี้มันไม่สุขไม่ทุกข์อ่ะมันเฉยๆดื้อๆมันขี้เกียจแต่มันเบื่อมันพักยกมันก็เฉยๆมันเซ็งเฉยๆมันเซ็งเอาวันนี้มาล่อมันเคยสุขเคยทุกข์ มันก็เฉยๆได้เป็นเฉยๆแบบอุเบกขาแบบตกโลกโลกีย์แต่อุเบกขาของพระพุทธเจ้าน่ะมันมีคุณสมบัติสูงกว่าอุเบกขาโลกิยะซึ่ง 18 จากสุขทุกข์อุเบกขาเกิดจากตาก็ได้เป็นเท่าไหร่ล่ะเป็น 13 เกิดจากหูไปอีก 13 สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้อุเบกขาก็ได้เกิด ทันมั้ยโยมบุญโฮมนี่ชื่อเดียวกับแม่อาตมาแม่อาตมาชื่อบุญโฮมฮะ สุขเวทนาก็ได้ทุกขเวทนาก็ได้อีกเกิดจากกายสัมผัสเกิดอีก 6 อย่างละ 3 3 3 3 3 ไป 6 ก็มันก็เกิดตั้ง 18 เวทนาเนี่ย 18 เวทนานี่เกิด ฤทธิ์สุขก็ตามถ้าเกิดอ่านออกมีวิชชามัน นะเพราะงั้นเนี่ยแบบโลกโลกก็ 18 นั่นแหละเกิดจากสุขเวทนา 18 โดยเอา 3 3 ทุกข์สุข 6 เป็น 18 เป็น 18 พอปฏิบัติไปปฏิบัติ พอมีวิชชาเกิดมามีความรู้รู้เท่าทันสังขารรู้เท่าๆเมื่อมีๆลด ภพรสชาติรสโสกะรสชรารสมรณรสโสกะโททุกขโทมนัสอุปายาสะรสไปตามหมดเพราะต้นตอเหตุใหญ่ ไม่จะคิดไม่ใช่นึกปฏิบัติแล้วอ่านปัดเดี๋ยวนี้แหละกําลังสัมผัสอยู่มีผัสสะเป็นปัจจัยแล้วก็เกิดวิญญาณเป็นวิญญาณปรุงวิญญาณอะไรวิญญาณผีวิญญาณรสอร่อยวิญญาณสวรรค์หลวงวิญญาณเทวดาปลอมเป็นสุขเทวดา มันสอนอยู่สวรรค์และเป็นสภาวะอย่างนี้จริงเป็นเทวดาคุณไม่มีตัวเรียกนี่แต่สภาวะธรรมมันจะเกิดคุณจะเข้าใจปฏิสสมุบท อ่าแล้วรู้จักอริยสัจซีรู้จักตัณหาใช่มั้ยเค้าจะจับตัณหาได้อาการของตัณหาเป็นอย่างไรแล้วเราก็ทํา แต่ก่อนเรามันเราเคยหลงผิดแล้วไปปรุงแต่งจนดับไม่ได้เป็นดับไปรู้เรื่องรู้ราวอะไรไอ้ ทุกขเวทนาดับสุขเวทนาดับกลายเป็นอุเวขขาเวทนานี่คือความหมายของคําว่าสัญญาเวทยิตตัง แต่ในความละเอียดลึกซึ้งมันไม่ว่าเป็นดับดื้อๆแบบฤาษีนั่งดับสะกดจิตเป็นนิโรธฤาษีอ่ะนะสะกดจิตแล้วก็ดับไม่ พอดับกิเลสพอดับต้นเหตุพอดับตัณหาอ่าอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์โอ้อารมณ์อย่างโลกๆอารมณ์อย่าง เมื่อมีแต่ก่อนนี่มันอร่อยมันเคยสุขมันเคยเพลิดเพลินมันเคยเป็น เนกขมสิตะเวทนาเพราะฉะนั้นจะเป็นทุกข์เรียกว่าเนกขมสิตะโทมนัสเวทนาคืออย่าง สัตตุคลิตมันมันยากมันลําบากมันทุกข์มันแหมมันต้องทั้งอดทนทั้งคมฟืนทั้งฝึกฝนเออโอ้ ดวงใจส่งความมั่นคงสู้ต่อน่ะสู้เพราะว่าการชนะสงครามนี้สุดยอดแห่งมนุษย์แล้วเนี่ย วิตกวิจารณ์แปลว่าอะไรวิตกวิจารณ์แปลว่ารู้จิตที่มันดำริ ทำไมวิตกรสกามะวิตกพยาบาทวิตกถ้ามันเป็นอะไรล่ะมันเป็นกาม คมแข่งยังต้องใช้พลังสู้กับมันหนักหนาอยู่หนักจนทําไปทําสามารถลดสามารถละสามารถทําวิราคะทําให้มันมันอ่อนแรงมันจางใน ในฌาน 1 มีวิตกวิจารณ์นี่คือกําลังต่อสู้ยังใช้กําลังยังใช้สังวรยังหนักอยู่แต่มันไม่เกิดมันไม่ไม่ได้ขณะนั้นไม่มีนิพพานไม่มีกามไม่มีพยาบาทมีทินมิตรไม่มีอุทธัจจะไม่สงสัยเห็นอยู่รู้ เรากําลังเป็นจอมยุทธที่สู้กับกิเลสอยู่แล้วกิเลสมันเรากําลังทําให้มันไม่มีไม่ไม่เกิดอาการของกามไม่เกิดอาการ จนไม่ต้องไปจัดการมันมากต้องไปคุมมันมากไม่ต้องไปจัดการมันมาก อธิบายเป็นคือไม่ต้องใช้แรงแล้วว่ามิตกวิจารณ์สงบไปคือไม่ต้องใช้ มีตถังคปหานวิคัมปนปหานมีสมุจเฉทปหานปฏิปัสสัทธิปหานนิสสรณปหานมีปหานนี่ตัวเก่งสุดก็นิสสรณปหานคือหมายความว่ามีฤทธิ์มาก เมื่ออย่างนั้นก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลมันยังไม่กังวลกลัวจะไม่ดีวิตกกังวลมันยังกลัวกังวลใช่มั้ย ความจริงโดยรากสัมมันแปลว่าธาตุจิตที่กําลังดําฤทธิ์แล้วเราก็รู้พฤติกรรมของธาตุจิตที่มันดําฤทธิ์มันจะดําฤทธิ์เป็นกามดําฤทธิ์เป็นพยาบาท อาจจะมีปิติอ่าจริงๆอาตมาอธิบายละเอียดละเอียดให้เห็นละเอียดของสิ่งที่มันเป็นนามธรรมพวกนี้เขียนละเอียดวนไปวนมาคนอ่านแล้วหลายคนบอกว่าพูดคนที่ แหมฝนซ้ําๆจะตัดเข้าอาตมาอยู่เรื่อยนักวิชามคือรู้อ่ะเค้ารู้แล้วล่ะก็อาตมาก็มันต้องมาซ้ําเอาตรงนี้มา เกิดขึ้นอย่างไรสภาพของปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจยตาเพราะเพราะเหตุมีอภิชฌา เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะมีสังขารเพราะมีสังขาร มันก็เป็นอุปทานเรียกมันว่าอุปทานพอมันเคลื่อนไหวเป็นไดนามิกขึ้นมาก็เรียก <อ>นะดับอันนั้นก็ได้ตัณหาดับอันนั้นก็ได้ดับตัวอุปทานก็ได้นะอ่าใครที่ตัณหาหมดระวังๆๆเนี่ยๆเนี่ยอุปทานกลับจะหมดมันไม่หมดอุปทานยังๆกัน คุณมีทุนอยู่เนี่ยล้านนึงเอาไปลงทุนนี่เดี๋ยว 10 ล้านเดี๋ยวร้อยล้านมาได้ด้วยอุปทานยิ่งโตๆเลี้ยงได้ดีเลี้ยงได้อ้วนเรียกว่าปุถุปุถุแปล เพราะยังคนที่ไม่เข้าใจจักไม่เข้าใจกิเลสตัณหาคนที่เป็นปุถุชนปุถุชนคนที่เข้าใจกิเลสตัณหาแล้วจับกิเลสจับตัณหาได้ และไอ้ตัณหากุปทานนี่แหละมันเกิดอยู่เช่นวิญญาณที่ตายออกวิญญาณออกจากร่างแล้วก็เลย เพราะวิญญาณนั้นมันวิญญาณมันไม่มีขอบเขตมันไม่มีสยังสยัง มันเป็นเองเราเองเนี่ยเราเองสยะสยังตัวเราเนี่ยครูหาสยังนี้นี่แหละมันอยู่ในนี้ได้เท่านั้นน่ะอยู่ในร่างสัตว์ได้วิญญาณเนี่ยนอกจากอยู่ในร่างสัตว์นั้นไปอยู่ในต้น คลื่นวิทยุมันก็จายอยู่นี่อนันตังเชื่อให้ดูไม่ได้เหมือนคลื่นวิทยุขนาดนี้เนี่ยวับอาตมาจับๆมาเปิดดูที่ตรงนี้เอา <Okay. S 1> มันไปตัวของมันคนเดียวนะมันไม่เกี่ยวกับใครนะเอกจรังไอ้ที่บอกว่าเออตายแล้วไปพบคนนั้นไปพบ มันเอกจรังเหมือนคนนอนหลับฝันจิตมันก็ไปปรุงแต่งเป็นอะไรเป็นนรกเป็นสวรรค์เป็นสุขเป็นทุกข์เกี่ยวกับใครหรอกแต่คุณเกี่ยวคุณมีอุปทานคุณจริงมาจริงๆๆๆจริง เพราะฉะนั้นจริงๆนั่นแหละมันเป็นๆอย่างนั้นแหละคุณตายไปแล้วก็เหมือนจิตของคุณนอนหลับนั่นแหละแล้ว กำลังอยู่ในอารมณ์นั้นคุณก็ดิ้นลงมาสุดคุณก็มีภพตาหูจมูกลิ้นกายให้ เหตุปัจจัยไม่หมดคุณก็อยู่นรกนั่นคือนรกก็ขึ้นสวรรค์คุณก็อยู่สวรรค์เนี่ยจนกว่า เป็นจริงมันจริงจริงคุณฝันจริงๆชั้นใดจิตวิญญาณของครูก็เป็นชั้นนั้นมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ที่ตรงไหนเอกจรังเอกจรังทุรังคมังอสริรังไม่มีรูปร่าง <vem> ไปสมมุติเอาจะพูดว่าจริงก็ได้ไปอธิบายราย อย่าไปเขียนอภิธรรมก็เชิญอาตมาไม่เขียนอภิธรรมจะให้อาตมาอธิบายอภิธรรมหลักๆก็พอแล้วนะฟังเข้าใจขึ้นนะคือนรกนะทุกข์นั่นแหละ เป็นสิ่งที่เรายึดสิ่งที่เราถือมันไม่ได้ดั่งจิตของอย่างงี้อย่างงี้นะยืนฮึดมันจะเอาอย่างงี้มัน <c oughs> นั่ภายันมันมันเกิดอยู่มันไม่ดับภพมันเป็นชาติมันเกิดอยู่มันไม่ดับ มันก็เป็นจริงจริงๆๆพอคุณมาเป็นอรหันต์คุณจะเห็นตัวเองโง่จริงพอคุณมาเป็นอรหันต์แล้วคุณจะรู้ว่าตัวจริงเลยมันไปยึดอยู่ได้ขอขอโทษนะครับ ที่บอกว่าตายแล้วไปลงนรกตายแล้วก็ขึ้นสวรรค์เนี่ยพบภูมิการเกิดการดับของวิญญาณเนี่ย ก็สมมุติให้ฟังแล้วเหมือนใจมันทุกข์ใจมันไปนรกใจมันสุขใจมันไปสวรรค์ใน เวลาคุณไปนรกที่คุณฝันก็ต้องทุกข์จะตายจะเป็นในตอนฝันนั่นน่ะมันไปยังไงถ้าคุณตอบได้ก็อันนั้นๆมันทําไม่รู้ สัพปโตปะพังหรือปภัสสราอุเบกขาอันเดียวกันนั่นแหละปภัสสรังหรืออ่าอนัตตังสัพปโตปะพังอันเดียวกัน มันก็กระจายอย่างเงี้ยแล้วมันไปยังไงก็เวลาคุณฝันคุณไปยังไงเออผมเห็นแต่ว่ามันเก่งนะก็เห็นเกิดเห็นเกิดเห็นเออก็ คือตัวทุกข์ตัวกิเลสตัวเหตุปัจจัยที่มันไม่ดีอ่ากิเลสตัณหาเป็นตัว เก่งสามารถมีนิรุตติมีปฏิภาณมีสิ่งที่รู้ที่เรียนอย่างเป็นเนี่ยโอ้โหนี่ของเราทั้งนั้นหน่อยๆนี่นะมันจะยึดระวังอ่าน่ะเก่งนะ <laughs> เก่งแล้วเราก็จะยึดยึดใครจะไม่เข้าใจหรือเปล่ายิ่งเป็นโปธิสัตว์นี่ต้องรู้เลยว่าน่ะคนนี้ดูเหมือน เฮ้อรู้แฮจบ ดร. มาพูดตรนนานพูดต้องอธิบายน้ำลายหมดไปหลายหยดไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจช่วยเข้าไปช่วยได้ มันอยู่มันที่แหละเป็นภพอ่าเป็นภพเพราะฉะนั้นเราจะเรียกเป็นได้อรูปสัมผัสไม่ได้เลยแต่มันก็อยู่ของ น่ะเพราะฉะนั้นจะเป็นโศกโศกโสกะปริเทวะทมณุตปายาสะอะไรของคุณก็อยู่ที่นั่นน่ะอยู่ในนั้น ไปเป็นขึ้นมาเองไปจริงๆแล้วเนี่ยจะได้เห็นนะว่ามันไม่ใช่ของจริงมันๆนะเดี๋ยวนี้ไม่มีเป็นอรหันต์แล้วถึงจะรู้ว่าโถเอ้ย โอ้นี่ของฉันนะไม่ได้ของฉันก็ทุกๆก็ แน่นอนทุกข์สุขเอ่อสวรรค์ในอกนรกในใจนั่นแหละมันไม่อยู่ที่ไหนหรอกมันอยู่ที่ใจ ไม่มีกล่องไม่มีห้องมันไปทั่วทุรังคมังไปได้ไกลไปได้ไหนๆไหนๆเอกัจจรังไปคนเดียว เห็นมันมาบักตัวนี้รูปอย่างนี้แหละนี่มันมานี่มาตายแล้ว นั่นคือความอุปาทานปั้นเป็นรูปนี้ยังจําได้ว่ารูปนี้จํา จะอุตริไปดูนั่นดูนี่วิญญาณถามว่าวิญญาณมันมันมันดีก็ไม่ๆลึกซึ้งเอา เราก็จะสามารถถ้าผู้ใดสามารถรู้ปฏิบัติสมุบัติคํานี้คําว่าสังขารหมายถึงอาการอย่างไรลักษณะอย่างไรเมื่อคนมีวิปัสสนาญาณหรือมีวิชชาก็จะสามารถรู้ปฏิบัติไปได้นั่น แต่ถ้าไปอธิบายเป็นแบบอิทธิปาฏิหาริย์มโนมยิทธิก็จะมีฤทธิ์เหินสําเร็จสําเร็จด้วยจิตมโนมยะสําเร็จด้วยจิตมีฤทธิ์ที่สําเร็จด้วยจิตเพราะๆอิทธิวิธีก็คือๆวิธี ฤทธิ์ถ้าเป็นโลจีบกับสามารถอ่าเดินบนน้ําดำลงไปในดินธมัชชรูปภูเขากําแพงเนระมิตร ถ้าจะมีฤทธิ์แบบโลกีย์แบบนั้นก็มีดับสามารถทําลายโลกิยะที่เราติดเรา สามัญคนธรรมดาเป็นไม่ได้หรอกคนที่ทําได้นี่วิสามัญเหนือ เช่นรู้ได้ทั้งไกลรู้ได้ทั้งชัดกําหนดได้แม่นอย่างนี้เป็นราคะอย่างนี้เป็นโทสะโทสะราคะอย่างอ่อนอย่างเก่งลีลาอย่างนี้ หลอกตัวเราเองเนี่ยเก่งมากเลยสามารถรู้ยิ่งขึ้นเลยโสตทิพย์และวตาทิพย์ที่เก่งวิเศษขึ้นเรื่อยๆท่านเปรียบประดุจจังบอก สามารถติเคราะห์ได้จับได้เลยว่ามีอาการอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้เก่งมีญาณ ที่เกี่ยวฌานต้องให้โนเบลไพรส์ 10 ใบต้องให้โนเบลไพรส์ 10 ใบเพราะว่านักวิทยาศาสตร์แต่ละอย่างก็แค่นั้น 10 ใบอย่างไปเก่งๆมีโสดทิพย์มีเจโตปริยญาณสามารถ สามารถทําให้มันลดได้เป็นวีตราคะวิตต Humble แกนกล้อง โอกาสคนพบดวงหนึ่งก็ดีใจดวงดาวคนพบดวงนึงก็ดีใจโอ้โหส่องเจออะไรเงี้ยโอ้โหอะไรดีเยี่ยมนิสติ แล้วก็วิเคราะห์แยกได้ออกเลยเจโตปริยาน 16 ชื่ออาตมาก็อธิบายมามากแล้ววันนี้สรุปเจโตปริยาน 16 ไม่อธิบายแล้วไม สอนคนโง่นี่ยากจริงๆบอกว่าโง่ยังยิ้มอีก อธิบายอริยสัจ 4 แล้วรู้ตัวเปล่าอธิบายไปแล 4 นั่นน่ะไม่เป็นทุกข์เป็นเหตุแห่งทุกข์ดับทุกข์ด้วยมรรคแล 8 ด้วยการปฏิบัติมีผัสสะรู้จัก เมื่อกี้มา 108 คนใหม่ๆก็ 18 กับ 18 บวกเป 36 เป็น 36 เทหสิตตะเวทนา mm. 18 เนกเขมมะอีก 18 เป็น 36 เวทนา 36 เวทนา 36 เวทนา 36 เวทนาเป็น 36 ปัจจุบัน 36 อนาคต 36 คูณดูสิเป็น 108 คุณอ่าคูณก็ได้ 108 ไม่คูณอ่าตอบเอา อ่านั่นเป็นอ่าเป็นเอ่อวิชาเอ่อนอกเป็นอวิชชาชนิดนึงเหมือนกับๆนานา เอ่อนอกโลกนอกเรื่องอะไรนั่นน่ะนอกอวิชชา 8 นี้อ่า 8 นี้นะถามมาก็ตอบไปยันปัจจุบันอนาคตทําไมอวิชชา 8 มีแต่ ตัวปัจจุบันเป็นตัวปฏิบัติใน เพราะงั้นปัจจุบันมันเป็นแต่เพียงทางผ่านสิ่งที่จะเป็นกรอบเป็นกรรมคือ ภาษาก็พอเข้าใจก็พอเข้าใจสภาวะๆเพราะฉะนั้นคนเราปฏิบัติปัจจุบันนี้ มันมีความน่างงมีความน่างงน่าสงสัยแล้วก็อาตมา 8 เนี่ยมีอดีตมีอนาคตแล้วก็ 5 คือความ 6 คือความไม่รู้ในส่วนอนาคตความ 7 ยังต้องมีความไม่รู้ 5 ความไม่รู้ใน 6 ความไม่ 7 ยังเป็นความไม่รู้ แค่พูดให้ฟังอ่ะนะอ่าเป็นชั้นๆไปอภิปรายข้อในเรื่องชั้นสูงและในอริยสัจ 4 นั้น แต่มันหมายถึงธรรมะในส่วนอดีตและอนาคตมันไม่ได้หมายความถึงเวลาเท่านั้นนะก็ ที่เรียกว่าอดีตที่เรียกว่าอนาคตกาลเวลาอันเป็นอดีตหรือ ในส่วนของความเป็นอนาคตเรียกว่าอดีตเรียกว่า ก็เชื่อว่าเรานี่ทํากรรมเป็นมรดกเนี่ยเป็นมรดกของตนนะมีกรรมทายาทเราจะต้องรับๆเนาะ มันเป็นสัจจะอย่างนั้นน่ะนะอธิบายให้ชัดๆก็คือว่าใน ไม่ได้หมายเอาแค่เวลาเมื่อกรรมใดที่สําเร็จลงไม กรรมปัจจุบันสามารถเป็นตัวไปทําให้กรรมอดีตนั้น เนื่องจากผู้ที่อวิชชาก็ไปทํากรรมไม่ แต่ทําดีซึ่งกรรมปัจจุบันนี้เป็นตัวการสําคัญยิ่งเพราะเป็นตัวแปรตัวเดียวที่ จนมีประสิทธิภาพหรือแข็งแรงพอมีประสิทธิภาพหรือแข็งแรงพอถึงขั้นทําดีได้เที่ยง นะต่อแปรก็เพราะกรรมปัจจุบันที่ปัจจุบันคนที่จะทําดีให้ มีอำนาจมีฤทธิ์ในตัวเก่งกว่ากิเลสเสมอหรือดีหมด ปุ Middle solamente เพราะkor fundamentals in�лек sympath รับ读 Effect รีบกลับการBravo Diвид 2-1-329-16 คอย snapd-4- cursing Ba D6,ılar ing maçaoديl accept, Demon ninais per hierom,system ap diصل dụcpancer egenic boys.南 autora pot Strange Blocks,set tuTIe waterproof. Coca-� threaded and dessus. อดีต概ทction Puts 就是 así parapped Selік — Commun peace Parada此 on average, conocemos p antioxidants cudown FUCK,Mresاع la 127 might insegn 및 tutu charly futupend. Frefulness礼 Baggi,cible biologiques electricity that we ק Qui I use in มันไม่สํานึกดีกิเลสมันใหญ่มันก็ทําชั่วไปบ้างกิเลสยิ่งไม่ เจ้ากรรมของคนนี่แหละที่เป็นตัวการสําคัญกรรมปัจจุบันนะเพราะในทุกปัจจุบันของคน เมื่อคนทํากรรมได้สําเร็จขึ้นมาไม่ว่าปุ๊บมันเป็นปุ๊บเป็นทรัพย์ๆของผู้นั้นติดตัวไป เพราะฉะนั้นในสวดอดีตเก่าก็ถูกเปลี่ยนแปลงถูกสะสมขึ้นใหม่ตามกรรม จึงจะแก้ไขกรรมอดีตได้เมื่อแก้เป็นกรรม เพราะฉะนั้นผู้ที่ทุนเป็นวิบากอดีตทําปัจจุบันได้ดีจน สั่งสมลงแข็งแรงแข็งแรงเพราะเราทางสร้างปัจจุบันที่ดีสร้างลดตัวกิเลสตัวเหตุตัวตัวไอ้ จากปัจจุบันเป็นตัวแปรเพราะคุณก็รู้ได้ว่าทําปัจจุบันเป็นตัวแปรได้ปัจจุบันจริงๆอนาคตมีอนาคตมัน ใช่มั้ยนี่คุณฟังธรรมะนะคุณฟังดีๆเพราะฉะนั้นในปัจจุบันทุกปัจจุบันนี้มาจาก เป็นนักประเมินที่ประเมินผิดประเมินเข้าๆมี 5 นึก 10 มี 2 นึก 8 ไอ้พวกน้อยๆไว้เรามี 10 แล้วก็อื้อประเมินก็เรเรา 8 เราได้ 7 อะไรนี่สวยกิเลส แต่จริงๆมันไม่ 10 มันมีแค่ 8 มันมีแค่ 5 แต่ 10 ก็ยังดีไม่ประมาทเพราะอย่าไปเข้าใจว่าตัวเอง ได้จริงได้แม่นเท่าไหร่นั่นคือคุณมีความ ไม่ต่างกันคืออะไรต่างกันคืออะไรไม่ต่างกันคือไม 0 ถ้าจาก 0 ไป เป็นความเที่ยงแท้ทุวังสัสสตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังอสังคุปังเป็นอดีต กิเลสคุณติดเล่าคุณดับอาสวะอับแล้วดับอีกดับแล้วดับ เจตสโอภิเนโรปนาจิตปักมั่น confidence เชื่อมั่นเด็ดขาดมันเด็ดขาดนั่นเที่ยงแท้แล้ว ในเวทนา 108 เราจะต้องปฏิบัติปัจจุบันเพื่อพิสูจน์อดีต 0 อดีต 0 อาตมาอธิบายไว้หมดแล้วทุนไว้ต้อง 1 หน่วย 100 หน่วย 1,000 หน่วย ลบ 0 ส่งแต่ 0 ไปโอ้โหเป็นเดิมๆๆๆคุณภาพถูลพิเศษอนาคต กับอดีตอดีตส่วนในอดีตส่วนอนาคตใน 7 นี้จึงต่างกันความไม่เที่ยงที่เป็นอดีตกับอนาคตที่ยังไม่สมบูรณ์ส่วนอดีตกับส่วน ส่วนอดีตและส่วนอนาคตเป็นศูนย์เหมือนกันคุณจะเรียกว่าอดีตคุณจะเรียกว่าอนาคตมันก็อันนั้นแหละศูนย์อันข้อที่ 8 ปฏิสมุปบาทพูดไปก่อนแล้วอ่ะ ภูมิศาสตร์วิทยาศาสตร์วิชาศาสตร์ทางจิตอีทางเดินทางเลยแผนที่อ่าภูมิศาสตร์แผนที่ก็อ่าใครเคยได้ยินได้ฟังอย่างที่ ชาตินี้เคยได้ยินโอ้น่าสงสารฮะฮะคน เอาล่ะได้ฟังก็ดีแล้วได้เข้าใจก็ดีแล้วแล้วอย่าไปช้า ความสงสัยก็คลายสงสัยไปเรื่อยๆเลื่อมใสแจ่มใสนี่อานิสงส์ 5 ข้อใน ไอ้ที่เคยข้องใจสงสัยกังขาก็ลดลงไปลดลงไปลดลงไปดื่มหมดกังขาหมดวิจิกิจฉาจิต เรื่องกามหยาบๆในในเรื่องโทสะหรืออัตตาหยาบๆน่ะพยาบาทหรืออัตตาหยาบๆมันไม่มีรุนแรงนะ แต่ในของเราเนี่ยไม่ๆแล้วก็เข้าใจวิธีปฏิบัติจริงๆมันก็ไปไม่รอบเพราะๆเข้าไปอรูปราคะ แต่ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นอนาคามีนะแต่ว่าที่มันเข้าไปอยู่ภายในซึ่งไม่ใช่เรื่องหยาบแล้วนะไม่แล้วอืมแต่กระนั้นก็ดีในเรื่องกามก็เราก็เรียน อัตตามันเป็นระดับในแม้ที่สุดที่สุดสุดเปรยๆที่เราจะต้องเรียนรู้นะโรงอันตพบว่า เพราะว่าคนเราสูงเนี่ยมันก็ลืมลืมตัวลืมตนมันไม่ใช่วัตถุนะๆยิ่งดียิ่งเราได้มากที่ หมายความว่าเจริญในการชิกระทําในกรรมต่างๆกรรมมันก็จะๆไม่รู้ง่ายมาก ซึ่งก็คือการเบียดเบียนตนอยู่ในตนด้วยตนก็เลวแต่ ปรมัตถสัจจะคืออัตตาของเรามานะของเราตบสูงขึ้นกลับมากขึ้นแล้วมันก็มาทําลาย แต่คนอื่นเค้าเห็นแล้วคนอื่นเค้ารู้แล้วผู้ที่มองๆเหรอเห็นคนอื่นความเนี่ย ความอื่นกับความผิดของตัวๆน้อยๆอย่างโน้นนี่ใช่เป็นเลยคนนี้แสดงๆถ้า ไปไม่รอดไม่เจริญตอนนี้พยายามกันแล้วเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของชุมชนซึ่งเป็นกลุ่มมนุษย์ที่จะต้องพยายาม เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายไม่รู้ๆกลุ่มคนไม่ใช่มากมายอะไรไม่เยอะแยะอะไรเค้าก็จะเอ่อเห็นแค่นั้นแค่นั้นแหละตัวนี้มันไม่มี เนี่ยลงตัวลงตนน่ะแต่ว่าอธิบาย นะไม่เข้าหมู่ผู้ได้รู้สึกว่าฉันจะต้องถอนตัวแล้วไม่ได้เข้ากลุ่มกันไม่ได้รวมตู้ ที่เรายังอยู่ไปเนี่ยยืนอยู่ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สงบเมื่อใดชนของอารยะเนี่ยหมู่ชนของโลกุตระหรือหมู่ชนอารยะต้อง มองตัวเองทันทีไม่ใช่ไปมองคนอื่นผิดมองคนนั้นผิดมองคนนี้ผิดมองคน ต้องกลับมามองตัวเองทุกคนและต้องลด ไปเปลี่ยนแปลงโน่นๆนี่ๆจะหยุดอันนั้นจะเลิกอันคนนั้นก็จะเลิกไม่ทํามันโน่นพังสังคมก็พังชุมชนก็พังงานก็ทั้งๆที่ ก็เอาเก็บแต่ตัวเองอ่ะดิเห็นแก่ตัวไม่สู้ เมื่อมีมติออกมายกตัวอย่างเช่นเออยอมทําแล้วมันมีตัวไหมวะแต่ ก็ยอมทําไปเสียไม่ได้ไม่ให้เองเต็มหรอกยอมก็อย่างนี้ก็เห็นชัดๆอยู่แล้วอาตมาพูดอย่างนี้ก็พวกเราก็มีบ่อยๆเมื่อหมู่ ว่าเอออันนี้ๆมันแต่มูจะเอาอย่างนี้ต้องมูส่วนรวมส่วนใหญ่ๆนะต้องยอมหมู่จะเอาอย่างนี้เยบวยัสิกาหมู่ อย่าง 100% ความว่าไม่เห็นด้วยเลิกความว่าอันนี้ดีกว่าต้องอันนั้นแหละคือถูกนั่นคือสมมุติสัจจะแต่ถ้าเราบอกว่าเออไอ้นั่นยังถูกอยู่ เราไม่ได้ปรมัตถสัจจะสัจจะที่เราจะปฏิบัติตนลดละเจตจิตเจตสิก วัยของคนที่มันไม่เท่าเทียมกันของคนล้วนแลแต่เป็นองค์ประกอบทั้งนั้นที่มันไม่เท่า อันนี้ต้องอย่างงี้ถือว่าเจริญอย่างนั้นผิดอย่างนี้คือผู้ แม้แต่คนข้างนอกเข้ามาร่วมกันยิ่งแต่แม้จะแพ้กันคะแนนเดียว แต่มันไม่ง่ายมันไม่ง่ายหรอก 7 คนนี่มันจะละอัตตามานะหมดยิ่ง 20 คนกับ 21 คนชนะ 1 คะแนน 21 คนชนะอีก 20 คนแพ้แล้ว 20 คนน่ะมัน เห็นมั้ยมันไม่ง่ายเพราะ<ฤร> Hukodienktu ent gutte filtruan 9